ที่สังเกตดง่ายๆอย่างนี้นะว่าในปิยรูปสาตโรคในปริญญาธรรมในหน้าสองนะที่บอกว่าข้อหนึ่งข้อสองคิดอย่างนี้ว่าทวารกับอารมณ์ใช่ไหมเมื่อทวารกับอารมณ์ประชมกันก็เกิดอะไรเกิดวิบากวิบากมีอะไรบ้างวิญญาณภาษาและเวทนากลุ่มนี้เป็นวิบาก สัญญาสัญญาเจตนาวิตกวิจารณ์นี้เป็นกรรมข้อแปดตัณหานี้เป็นเป็นอะไรเป็นกิเลสเจตพันธคือจักขู่ใช่นหมนะจักขู่กับรูปนี้เป็นอะไรเป็นทวารใช่ไหมทวารกับอารมณ์จักขู่เป็นทวารรูปเป็นอารมณ์ของอะไรของจักขูวิญญาณภาษาและเวทนาจักขูวิญญาณภาษาเวทนานั้นเป็นวิบาก ทีนี้สัญญาแหละสัญญาโดยมากอธิบายเป็นกรรมโดยมากนอสัญญากับเจตนาเนี่ยอธิบายเป็นกรรมซะส่วนใหญ่เลยส่วนอันหาก็รู้กันว่าเป็นกิเลสส่วนวิตกกับวิจารณ์นี่ก็อยู่ในกลุ่มกรรมคือมันในฐานะว่าเครื่องมือของกรรมก็ได้เครื่องมือของกิเลสก็ได้ท้องของไอตัววิตกกับวิจารเนี่ยนะเครื่องมือของกรรมก็ได้เครื่องมือของกิเลสก็ได้ ไดอมาขึ้นธาตุกเลยนะต่อจากครั้งที่แล้วอฏิสัมพิฐามนมนชฌิมพรถ้าเราดูดีๆจะเห็นว่าขันห้าเนี่ยเมื่อกระจายออกมาแล้วก็คือปิยรูปสาตรูปหกสิบอันนี้ถ้าใครจะอธิบายขันห้าได้เยอะมากก็คือขยายเป็นอะไรปิยรูปสาตรูปอย่างเช่นพวก เทวานกับอารมณ์โดยมากเป็นรูปประขันนะจกักโคโสตากานาเชิวหากายรูปเสียงเปลี่นรสโพธะพระเป็นโดยมากเป็นรูปประขันส่วนวิญญาณก็คือวิญญาณขันเวทนาก็เป็นเวทนาขันสัญญาก็เป็นสัญญาขันที่เหลือทั้งหมดคือผัสสะเจตนาตันหาวิตกวิจารณ์นั้นเป็น สังขารขันนั้นก็คือขันห้านั่นแหละทีนี้ผู้ที่ฟังแล้วเอาไปจำแนกขยายได้เป็นธรรมะหกสิบเหล่านี้ก็ถือว่ามีปัญญามากแต่ถ้าทำไมมันมากมายขนาดนี้เอางี้ก็แล้วกันเอาธาตุไปเจริญเอาไปพิจรารณาธาตุหกธาตุหกนั้นก็คือปฐวีอาโปเตโชและวายโยก่อน คือเบื้องหลังของตาสีหูเสียงจมูกกลิ่นลิ้นรสกายโพธพภะทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะเหตุใกล้ของสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดคือท่าสีหมดเลยมหาภูตโรคนะเบื้องหลังของสิ่งที่เราเห็นแม้กระทั่งตาที่เป็นเหตุให้เห็นสีที่เราเห็นเหตุใกล้ของสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดก็คือดินน้ำไฟลมหูก็เหตุใกล้ของหูก็ดินน้ำไฟลมเสียงก็ เหตุใกล้ของเสียงก็ดินน้ำไฟลมี่หายใจรู้เปลี่ยนไปก็ดินน้ำไฟลมนั่งเกลือนน้าลายก็ดินน้ำไฟลมนั่นแหละรับกระทบโทธพธาภะตั้งแต่หัวจรดเท้าก็เป็นเป็นไปกับดินน้ำไฟลมหมดเลยนี่ดินน้ำไฟลมในทุกทวารในแต่ละทวารทั้งปัญจทวารทั้งปัญจอารมณ์พวกนี้อารมณ์เหล่านั้นเนี่ยถ้าอากาศอากาศสะท้านนี่จะดีไหมอากาศสะท้านคืออะไรพระเจ้าตรัสว่าอะไรนะ ช่องว่างช่องตาวย่างนั้นเถอะถ้าไม่มีอากาศสัทธาเราจะรู้ไหมว่าช่องตาถ้ามันทึบเป็นอันเดียวกันไปหมดถ้าไม่มีอากาศสัทธาไม่รู้หรอว่าช่องจะนี้ช่องหูนี้ช่องจมูกนี้ช่องปากเอาไม่ปิดหมดเลยอย่างนั้ก็ไม่งามเลยนะครับถ้าปิดหมดทุกทุกอย่างก OK. ็ไม่งามนั้นอากาศสัทธานั้นจึงเ ป, เป็นที่หมายรู้กันนเป็นที่หมายรู้กันเ อ, อทั้งปฐวีอาโปเตโชวายูอากาศเหล่านี้ โดยเฉพาะปฐวีอาโปเตโชวาโยโยเนี่ยนะสี่อย่างนี้ในฐานะเป็นอารมณ์ของวิญญาณธาตุและก็เป็นที่อาศัยเกิดของวิญญาณธาตุพระพุทธเจ่าตรัสว่าก็กายนี้เป็นที่ประชุมแห่งมหาพูททั้งสี่มีมีมบิดามารดาเป็นแดนเกิดเจริญด้วยข้าวสุกและขนมสด ต้องอบต้องฟันเป็นนิดนี่ยนะเป็นต้นเนี่ยแล้วพระองค์ก็บอกว่าก็วิญญาณนี้อาศัยกายนี้แหละเกิดขึ้นวิญญาณทั้งหลายก็อาศัยกายที่ประชุมพร้อมแห่งมหาพูดเกิดขึ้นเกิดขึ้นมหาพูดเหล่านี้ในฐานะเป็นที่อาศัยเกิดของวิญญาณบ้างถ้าเป็นมหาพูดทั่วทวไปในฐานะเป็นอารมณ์ของวิญญาณอย่างสีที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยในฐานะอารมณ์ของ วิญญาณแต่ถ้ามหาพูดคือพวกตาพวกทั้งพวกตาเป็นต้นพวกนี้ก็อันเนี้เป็นที่อาศัยเกิดของวิญญาณปัทวีธาตุก็ปทวีธาตุเป็นต้นก็เป็นธรรมที่ควรเอามาทาปริญญาท่านจงพิจารณากายที่ประชุมแห่งมหาพูดเหล่านี้นี่แหละโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีไม่ใช่เป็นดังหัวฝีนะเป็นตัวฝีเลยแหละเป็นหัวฝี เป็นตัวเป็นลูกสอนที่มันเสียแทงเ่ยนะเป็นตัวที่ป่วยไข้เป็นตัวที่เจ็บไข้เป็นสิ่งที่มีความแตกทำลายเป็นธรรมดานังั้นถ้าใครที่พิจารณ า, าธาตุเหล่านี้มากก็จะไม่ตกอยู่ในอำนาจของกายในกาย น, นะจะไม่เป็นอยู่ในอำนาจของกายในกายถามว่าผู้ที่อยู่ใต้อานาจของกายในกายเป็นยังไงถ้ากายถึงพร้อมสมบูรณ์ บริบูรณ์ดีอภิชาก็เกิดถ้ า, ากายเสียหายอะไรเกิดโทมนัสก็เกิดเพราะกายนี้เป็นที่อาศัยเกิดแห่งอภิชาและโทมนัสดังนั้นพระ อ, องค์จึงสอนให้เจริญอนุปัสนาเจ็ดที่รณาเห็นกายก็คือให้ตามเห็นกายเหล่านี้นี่แหละโดยอนิจจานุปัสนาบ้างโดยทุกขานุปัสนาบ้างโดยอนัตตานุปัสนาบ้าง เมื่อพิจารณากายโดยอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนานาตานุปัสสนาถ้าปฏิบัติด้วยความมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติในการเจริญปัญญาอนิจจานุปัสสนาพิจารณาเห็นกายเหล่านี้ก็จะกําจัดอภิชากับโทมานัสได้หมวดธรรมนี่ใช่น้อยที่พระผู้มีพระภาคแสดงถึงถึงธาตุเหล่านี้เช่น ขสูตรสูตรหนึ่งที่พระองค์ตรัส ก, กับปกุิสาติกุลบุตรชื่อสูตรว่าธาตวิพังคสูตรเนี่ยนะธาตวิพังคสูตรนี้ยกธาตหกเหล่านี้มาเป็นตัวอธิบายคำว่าปัทวีธาตอาโปธาตเตโชธาตวายโยธาตอมความถึงไหนรู้ไหมอมความถึงพบที่มีรู ป, ปรขันท์ทั้งหมด อากาศธาตุอมที่ไหนอมอากาศสารน้ำใจ ย, ยตนะพบเอาไว้วิญญาณธาตุคือพบที่เหลือเนี่ยนะถามว่าแล้วธาตุเหล่านี้เนี่ยนะเป็นเหตุกลาให้เจริญกสิณไหมสังเกตดูปัทวีธาตุเนี่ยนะถ้าใครกําหนดรู้มากจะได้ปัทวีกสิณอาโปธาตุเนี่ยถ้าใครเจริญมากก็สามารถเจริญเป็นอาโปกสิณเตโชธาตุก็เป็น เตโชกสินวาโยธาก็เป็นวาโยกสินคําว่ากสินสิบตรงนี้ที่ควรกําหนดรู้นั้นนะ่ะหมายถึงฌานที่มีกสินพวกนี้เป็นอารมณ์นะกระปฐมฌานจนถึงเจตุทัชฌานที่มีปัทวีกสินอาโปะกะสินเตโชกสินวาโยกสินเป็นอารมณ์สีเขียวมีละกะสินเนี่ยนะสีเขียวนั้นมีตัวสีเขียวมีอะไรเป็นเหตุไ้ ก็มหาพุทธทั้นถ้ากําหนดปฐวีอาปโปเตโชวาโยกสินได้เป็นอย่างดีจะรู้ว่าท่าทั้งสี่เหล่านี้เป็นเป็นที่อาศัยเกิดให้เราเรียกว่าสีเขียวเป็นที่อาศัยเกิดให้เราเรียกว่าปีตะคือสีเหลืองเป็นที่อาศัยเกิดให้เรียกว่าโลหิตะคือสีแดงและโอทาตะคือสีขาวนั้นดินน้ํำลมไฟเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสีเขียวสีเหลืองสีแดงและสีขาว สีทุกสีเหล่านี้เป็นที่อาศัยเจริญกสินได้มีพระราชาพระองค์หนึ่งประทับอยู่ในห้องบรรทมตื่นขึ้นมาก็ดูเห็นฝาสีเขาเจริญชาได้เลยอ่ะเ อ, อทําได้ไงไม่รู้ตอนหลังท่านก็เป็นข้าพร ะ, ระเจดกพระพุทธเจ้าไม่แปลกใจอนะสองอ ะ, อะไรนะสองอาศงไขแสนกลับมาแล้วนะก็เลยทําได้ตื่นขึ้นมาเห็นฝาฝาฝ า, ฝ า, ฝาพระราชาฝ า, ฝาห้องอนะฝาห้องบรรทมนี่ เป็นสีขาวผนไคลที่ทาฝาห้องเป็นสีขาวเนี่ยตื่นขึ้นมาก็เจริญอะไรโอทาตกรสินถ้าบ้านทาสีเขียวล่ะนี่ะลกะกสินถ้าทาสีเหลืองปีตกะกสินถ้าทาสีแด ง, งาสาธุให้มาได้สักอย่างเถิะ <laughs> มีตั้งหลายกสิน <laughs> ใช่ไหม <laughs> น่าจะได้สักอย่างเลยลืมหมดเลยว่ามีกสินอยู่ในนั้นเลยก็จริงจเนี่ยนะผู้ที่มีปัญญา <laughs> เขาเห็นอะไรเขาเจริญถ้ามีปกติเจริญกระสินอยู่แล้วนะ พระพุทธเจ้านั้นเจริญกสิน ส, สีสีเขียวเนี่ยนะในร่างกายของพระองค์คำว่าสีเขียวเนี่ยผมเนี่ยนะเส้นผมเนี่ยท่านนับในกลุ่มสีเขียวนะผมขนไม่ใช่ผมออกนะเออผมผมทั่วไปเ น, นี่ยขนขนก็เหมือนกันนะ น, นะหรือในตาดํำนะในตาดําเป็นต้นกลุ่มนี้ก็กลุ่มนีรละกสินสีเหลืองนหะก็คือตาเหลืองๆนะตรงตาที่เหลืองๆมันข้น พวกกลุ่มนี้ก็เป็นที่มาของปีตะคะคือสีเหลืองถ้าเข้าใจ ป, ปีตะเนี่ยนะสีเหลืองส่วนสีแดงดูจากไหน เ, <อ>เนื้อเลือด<ๆ>พวกนี้ก็เป็นสีแดงส่วนสีขาวฟันกับกระดูกเนี่ยนะพวกกระดูกพวกฟันนี้ก็อยู่ในกลุ่มสีขาวส่วนอากาศกสินนั้นเป็นอารมณ์ของอะไรอากาศกษินเนี่ยหมายถึงเกษินุคาติมาอากาศซึ่งเป็นอารมณ์ของ อากาศารัญจายตนะวิญญาณกสิลป์เป็นอะไรเป็นอารมณ์ของวิญญาณัญจายตนะกับเนวสัญญาณาสัญญายตนะวิญญาณัญจายตนะนั้นกําหนดวิญญาณกสิลป์เนวสัญญาณาสัญญายตนะก็กําหนดวิญญาณกสิลป์พวกใครที่เจริญธาตุพิจรารณาธาตุดินน้ําไฟ ลมมากๆพิจารณาอากาศพิจารณาวิญญาณมากๆพวกนี้จะต่อกสินสิบโดยไม่ยากคือสามารถต่อไปเจริญเกสินสิบได้ของเรายัางเจริญไม่ได้ก็เรียนเอาไว้ก่อนสัจฉาดนะครัมีโยมเพลนินหรอกเขายังไม่พร้อมจะบรรลุหรอกเข า, เขาต้องได้อะไรนะปฏิสามทิทาสีวิโมกแปดอภินยาหกจะต้องเอาให้หมดจนช่วงนี้ยังไม่อยากบรรลุทั้งนั้นนะนะขอเรียนไปก่อนจะให้ได้ทั้งหมดเลยแล้วไั้ก็ Oh, ผู้มีอัิยาสายอย่างนี้ก็มีอยู่ในโลกอย่าไปว่าเขาถามว่าการกำหนดธาตุหกการกำหนดกสินทั้งสิบเหล่านี้อย่างนะนีได้มาจากไหนได้มาจากไหนถ้าเริ่มจะพิจารณาธาตุหกต้องการจะเจริญกสินสินทธิ์นี้ได้มาจากไหนก็ได้มาจากการกำหนด ผมขนเล็บฟันหนังดูอาการสามสิสองกว่าไปนะผอมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวหัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยตัวนี้หมายถึงสายรัดไส้อาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองอทั้งสี่ปัญจกะเห็นไหมปัญจกะที่หนึ่งเรียกว่าแตจะปัญจกะปัญจกะที่สองเรียกววัคกะปัญจกะ ปัญจาการที่สามเรียกว่าปรภาาัสปัญจกะปัญจกะที่สี่เรียกว่ามัทลุงขะปัญจาการก็คือห้าห้าคูณสี่เท่ากับยี่สิบเรียกว่าปัทวีธาตุยี่สิบปัทวีธาตุยี่สิบส่วนฉักกะฉักกะแปลว่าหมวดหกเช่นเรียกว่าเมธาฉักกะเ น, น, นี่ก็คือมีมันข้นเป็นที่หกกับมุตตะฉะกะกมีปัสาวะเป็นที่หก อันขที่เจริญอาการ32คือผมคนเล็บฟันนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังเผิดม้ามปอดไส้ใหญ่สายรัดไส้อาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองอนนะ้น้ำดีน้ำเส็ดน้ำหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อน้ำมูดนี่นะพวกนี้เรียกว่าอาการ32 อาการสามสิบสองเนี่ยนะคู่ที่พิจารณามากๆสาธยายทั้งโดยอนุโลมปฏิโลมทั้งอนุโลมปฏิโลมพิจารณาโดยสีโดยกลิ่นโดยสันฐานโดยโอกาสโดยปริเชตถ้ามีการพิจารณามากๆจริงๆเนี่ยจะได้โดยอาการสามเห็นไหมถ้าเจริญมากๆจะได้โดยอาการสามถ้าในอดีตชาติเขาเคยสั่งสมเรื่องกรสินมา อาการสามสิบสองเหล่านี้จะปรากฏโดยความเป็นกสินเมื่อกี้บอกแล้วใช่ไหมว่าผมขนพวกนี้กสินอะไรถ้าต่อด้วยกสินจะเป็นนี่ละกะสินเล็บเล็บโอทาตกสินสีขาวฟันโอทาตกสินสีขาวหนังหนังสีอะไรนี่หนังสีอะไรสีเหลืองใช่ไหมออกเหลืองเหลืองนะตัวหนังก็ออกเหลืองๆก็เป็นปีตะกระสินสีเหลืองเนื้อ สีแดงเนเอนี้ออกข า, ขาวๆใช่ไหมออกขาวๆกระดูกสีขาวแล้วเยื่อในกระดูกอะออกออกเหลืองใช่ไหมออกเหลืองๆแดงๆอะไนตายอะพวกนี้ก็สีแดงนะพวกกลุ่มเนื้อนะลำไส้อ่ะไรไปกําหนดเอากันแล้วกันนีนะ